ตรงประชุมสงฆ์บัญญัติศิขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์พ่อเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษณีหอมจีวรของภิกษณีอื่นโดยไม่บอกจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคพทาุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉนยัยภิกษณีจึงหอมจีวรของภิกษณีอื่นโดย